ครัท่าฟังค่ะแล้วมาถึงตอนที่ท่านจะได้ฟังพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ในมหาปรินิพานสูตรคือช่วงของการที่จะเสด็จดับขันธปรินิพานของพระพุทธองค์กันต่อนะคะซึ่งเมื่อวานนี้พระพุทธองค์นั้นก็ได้ถูกพระอานนท์เนี่ยกราบทูลถามถึงเรื่องการจัดการพระศพหลังจากที่ตรัสแล้วนะคะว่าจะปรินิพานตอนไหนอย่างไร พระพุทธองค์จึงต ร, ตรัสตอบแก่พระอานนท์นะคะว่าอานนท์พวกเธออย่าขวนขวายเพื่อจัดการบูชาศรีระของตถาคตเลยจงสืบต่อจงพยายามในประโยชน์ของตนคือการตั้งหน้าปฏิบัติจงอย่าประมาทจงมีความเพียรกําหนดอยู่ในประโยชน์ของตนเถิดอานนท์กษัตริย์พราหมณ์หรือขห บ, บดีผู้เลื่อมใสยอย่างยิ่งในตถาคตก็มีอยู่เขาเหล่านั้น จากจัดการบูชาสรีระของตถาคตข้าแต่พระองค์เขาเหล่านั้นพึงจัดการอย่างไรอารนนท์เขาพึงจัดเหมือนที่จัดในสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิเขาพันสิรีระของพระเจ้าจักรพรรดิด้วยผ้าใหม่แล้วซับสารีแล้วพันด้วยผ้าใหม่โดยอุบายนี้500คู่แล้วเชิญลงในรางเหล็กเต็มด้วยน้ามันปิดด้วยรางเหล็กอีกรางหนึ่ง กระทำจิตตกาทานด้วยของหอมทุกอย่างแล้วจึงถวายพระเพลิงกระทำสถูปสำหรับพระมหาจักรพรรดิไว้นหนหนทางสี่แยกอานน์ชนเหล่านั้นพึงปฏิบัติในสรีระของตถาคตเช่นเดียวกับที่ชนทั้งหลายปฏิบัติในสรีระของพระมหาจักรพรรดนั่นแหลชนเหล่าใดวางพวงมาลัยหรือของหอมหรือจุนหอมณนะที่นั้นก็ดีหรืออภิวาส หรือทำความเลื่อมใสอยู่ในจิตก็ดีข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เขาสิ้นกาลานานต่อจากนั้นก็ได้ตรัสเกี่ยวกับบุคคลควรแก่การก่อสถูปสี่จำพวกคือพระตถาคตพระปัจเจกพุทธะพระสาวกพระเจ้าจักรพัทพระอนุลเลี่ยงไปยืนเหนี่ยวไม้เต้ากปิศีษะร้องไห้ยอยู่พระพุทธองค์ตรัสให้ไปเรียกตัวมา สรรเสริญว่าเป็นยอดของอุปถากผู้หนึ่งในบรรดา ย, ยอดอุปถากของพระพุทธเจ้าทั้งปวงและสรรเสริญการรอบรู้ในหน้าที่นี้และการกล่าววาจาเป็นที่ชอบใจแก่ผู้เข้าไปคบหาต่อจากนั้นพระอานนทูลขอให้เสด็จไปปรินิพานเมืองอื่นเพราะเมืองนี้เป็นเมืองดอนจึงตรัสว่าพระอนนท์เธออยากล่าวว่าเมืองน้อยเมืองดอนกิ่งเมืองดังนี้เลยครั้งก่อนโน้นราชาพระนามว่ามาหาสุทัศ เป็นพระเจ้าจาั ก, กรพรรดิ ธ, ธรรมราชามีอนณาเขตกระทั่งมหาสมุทรทั้งสี่ชนะสงครามมีชนบทมั่งคัง่งประกอบด้วยรัตนเจ็ดชนิดอานน์เมืองกุศินารานิแลเป็นราชธานีของพระเจ้ามหาสุทัศน์ในครั้งนั้นชื่อว่ากุสาวดียาวทางบุรพทิตและปัตชิมทิต12โยธกว้างทางอุตรทิตและทะักคิณทิตเจโยธ์เกลื่อนกลนด้วยหมู่มนุษย์ เธอจงเข้าไปในเมืองกุสินาราจงบอกแก่มัลลกษัตริย์ทั้งหลายแห่งเมืองกุสินาราว่าดูก่อนกษัตริย์ผู้วาเศฐโคตในยามสุดท้ายแห่งราตรีวันนี้การปรินิพานของพระตถาคตเจ้าจักมีเชิญท่านทั้งหลายรีบไปขออย่าต้องเดือดร้อนในภายหลังว่าการปรินิพานของพระตถาคตเจ้าได้มีในคามเขตของพวกเราแต่พวกเรา มิได้เห็นพระตะถาคตเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายในนี้เขียนไว้เพิ่มเติมนะคะว่าพระอ น, นุนผู้เดียวเข้าไปแจ้งแก่มลกษัตริย์มลกษัตริย์คร่ำครวญโดยในเดียวกับพวกเทวดาที่เคยเล่าไปแล้วพากันออกมาเฝ้าพระองค์พระอนุนจัดให้เฝ้าโดยขานชื่อถวายทีละพวกเสร็จก่อนปฐมยามต่อจากนี้สุพัทธบริพาชกได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลถามความผิดหรือถูกของลัฐที่อื่นๆ ตรัดห้ามเสียแล้วตรัดถึงเรื่องสมณะที่แท้จริงมีเฉพาะในศาสนาที่มีอริยมรรคประกอบด้วยองค์8ไม่มีในศาสนาที่ไม่มีอริยมรรคมีองค์8ค่ะเรื่องราวในช่วงสุดท้ายของชีวิตของพระพุทธองค์นั้นยังไม่จบนะคะก็จะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในวันพรุ่งนี้ต่อไปวันนี้ก่อนที่จะจากกันไป ท่านที่สนใจถ้อยคําจากพระโอษฐ์ในหนังสือพุทธวัตรฉบับก้าวย่างอย่างพุทธะก็อย่าลืมติดต่อเข้ามาที่หมายเลข022690006และ022690060นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ